จตที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลได้ก็แ่เมื่อมาผสมกับอารมณ์แล้วถ้าหากว่าเห็นรู้เท่าก็กลายเป็นอกุศลถ้ารู้เท่าก็เป็นกุศลและในกุศลมันแบางออกเป็นโลภียะกุศลกับโาสุะกุศลถ้าหากว่ารู้เท่าเหมือนกันแต่ว่ารู้เท่าอย่างคนิดทยังมีความต่อใจมีความเพิดเท้นในอารมณ์อยู่ความรู้เท่าอันนั้นจะเป็นอารมณ์ป่ายโลภียะกุศลแต่ถ้าหากว่าความรู้เท่าอันนั้นรู้เท่าแล้วไม่เกิดความเพิดเทินไม่เกิดความต่อใจในอารมณ์นั้น ควมไเท่ากนั้นก็ปโลภตระทุนสุนิสาตามชั้นตามเคยค่ะบุคคลที่ได้ปฏิบัตินี่เป็นเรื่องบาวในพุทธศาสิาแท้ๆในระยะสองแสดงมาอย่างนี้ในกตางยุคประศุทบาลีสังยุตติตายพระมรรมาแสดาว่าจิตเหนื่ยเหนือยวานรเหมือนตลิ่งทั้งกลับบอกว่าลูกกรที่ชุกทั้งหลายภาษาโคสเห็นว่าบุคคลมาเห็นร่างกายว่าเที่ยงเนี่ยดังดีกว่าที่มาเห็นว่าจิตเที่ยง นั่นเขาเห็นเป็นขนาดเพราะว่าตามที่มาเห็นร่างกายว่าเที่ยงนั้นร่างกายยังพออยู่ได้สิบตียี่สิตีสามสิ 6, ีส0่สิีหกสิบตีเจ็ีไปบ้างในระหว่างที่อยู่ได้ตั้ง10บี20ปีนั้นในระหว่างนั้นถึงแม้จะมีความแปลงเปลีนร่างกายปรากฏก็ยังไม่เห็นกับรู้เลยนะแต่เพราะว่าเรื่องที่จิตแล้ไม่มีเที่ยงเลยนะแต่ชั่วขณะเดียวเพราะฉะนั้นเห็นว่าตายเที่ยงยังดีกว่าเห็นว่อติดเที่ยงเห็นว่าจิตเที่ยงแล้วไม่ประเสริฐเลยทรงแสดงไว้ในตายและจิตกระสุดบาลางนี้ ก็เกิดตกจินี่เหมือนกับยานอนที่เราไม่เที่ยงไม่เที่ยงยิ่งต่้งใจนะาว่าจิตนี่มันเกิดดับเร็วเหมือนกับยานอนที่่อาจจะอยู่นิ่งที่จากต้นม้ต <sh> ้นหนึ <DK N s> ่งแล้วก็มีโยงเอาต้น้อยอีกต้นหนึงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงเป็นิที่เกิดดับเรวดัเรรมากเพราะฉะนั้นจากบาลีพุทธภาสิตที่มีอยู่เป็นเหตุให้บรรดาคณาจารย์เรสลัยหลังๆนันพุทธภาสิตในจี่ต่างๆที่เกี่ยวกับจินี้หนาดิเคราะห์ ธรรมชาติทุกิทธิ์นเป็นอะไรกันแน่ธรรมชาติทุกิตธิจะเป็นอะไรกันแน่ในบาลีขั้นพุทภาสิทธิ์แล้วนี่ไปท้ายคำว่าติดมโนวิญ ญ, ญาณเป็นผลใหญ่เป็นใทดแก่กันแต่ว่าไม่มีคําคําหนึ่งซึ่งมีเฉพาะในพระอภิธรรมปิฎกยังไม่เคยปรากฏในสุตตันตปิฎกหรือใ น, ในอภิปิฎกเลยคาคํานี้คือคํ า, าว่าระ ว, วังขยิตคําว่าระวังขยิตนั่นถ้าจะพูดไปแล้วเรียกว่าเิ่านจะมีขึ้นในสมัยที่เป็นอภธิภธรรมปิฎกขึ้นแล้ว ไม่บาห ล, ลีเขาดูตัวดีบาหลีพาริไัยตัดีธรรมะพลังคะไม่เคยพบยังไม่เคยพบถ้าดยางนั้นแล้วธรรมะพลังขจิตนี่ยังมีความสําคัญอย่างไรเรื่องพลังขจิตนั้นที่ว่าสำคัญอย่างไรก็เพราะว่าสําคัญตรงที่ว่าธรรมชาติของจิตนั้นมีเกิดมีดับแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นมูลฐานของจิตหาสิ่งที่เป็นมฐานของจิตประวัติอิญญานณนะวิบากตวิญญาณน่ะประวัติอิญญาณน่ะท่านจะว่าเลยทั่วๆไปแล้ว สมัยถึงวิญญาณที่มาอ่าเรียนได้วิญญาณที่มารับอารมณ์ถูให้อารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีเกิดสวัสดีวิญญาณขึ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีมูลฐานสามูลฐานของวิญญาณอันนั้นมูลฐานของวิญญาณอันนั้นก็คือตัวพวังเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เระลูกพระอภิธรรมท่านจึงได้ออต่งเรื่องผวังขจิตขึ้นมาแต่ตารที่ท่านบัญญัติเรื่องผวังขจิตขึ้นมานั้นจำเป็นที่ว่าท่านนอกครูนะมันจะว่าท่านนอกครูนอกครูดางอาจารย์คิด คิดแม่ขึ้นมาเองไม่ใช่อย่างนั้นมีลหลักฐานอยู่ในสูตรทั้งกัตวแต่พระสูตรไม่ได้บอกตรงๆว่าพลังขะล่ะไม่ได้บอกหรอาแม้แต่ในบาลีที่อ้างกันว่าเป็นบาลีของภาษิตของพระสาริบุตเหตุรเจ้าควาา่าพวังคะยังไม่รบสัตวยังไม่บถ้าอย่างนั้นแล้วพรอาจารย์ทรกจณารุ่นที่าศิษธรรมนั้นท่านเอาความคิดเรื่องพวังคมาจากไหนล่ะท่านเอาความคิดเรังคะนี้มาจากปฏิกิรยาบางในตัวธํามะงะปฏิยาชาติ เอาคำว่าปัจาชาตินี่นะครับขึ้นมาบัญญยัดกสิทธิตเดิมกันเข้ากลายเป็นพยางคสิติขึ evet. ้นเพราะว่าธรรมดาเ้วก็อยกนี่อยู่แล้วอยาวิญญาณนอนิจจวิญญาณนั้นไม่เที่ยงพราสารสิเกวัตถุจงเกิดทิพทิพิลมาเลยบอว่าพระวิญญาณไม่เที่ยงแล้วอะไรจี่เป็นตัวเปรับดุลรับบาปใครต่อไหนเมื่อันหาลูกเวทนาสัญาทั้งสามวิญญาณนี่ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแล้วอะไรมันเ็นตัวยืนลงที่จะเทียรับดุลรับบามันต้องมีสิไม่ได้เหรอมันต้องมีตัวที่จะ ในตัววิ่งไปรับคุณรับบาปในัฏถ้าหากว่าวิญญาณจะครอนิจจังกลเป็นอนัตตาไปด้วยแล้วเพราะว่าเกิดขึ้นขนาหนึ่งก็ดับไปแล้วแล้วก็ในกอทาบาปแล้วในกอตาย ใ, ในเกิดในขอในขอก็ไม่จำเป็นจะต้องรับบาปอันติดมจากในกอเาว่าเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องไปแล้วนี่้าปิเกวัตต บ, บุตนะเกิดีทิฏฐิอย่างนี้ถ้าบรมตาสดาจึงได้ติเตียงว่าเป็นโมค บ, บุรุษในขมาใจในในทำทีพระองค์ทรงสังสอเกิดสร้างพระจิดขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้ ถ้าฉะนั้นในเรื่องพวังขจิตที่เกิดขึ้นก็ต้องารจะอธิบายสันหาระหว่างว่าอะไรเราเป็นสิ่งซึ่งสวยบุญสวยบาปในเมื่อคนคนนั้นแตกดับไปแล้วอะไรเราตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นนะครับคือตัวพวังขจิตตัวพลังขจิตถ้ า, าหากว่าในสมัยที่พุทธศาสนา ย, ยังไม่เกิดเทินที่ของคนาจารย์ในอินเดียส่วนใหญ่ก็คือว่ามีคันทัพโผคันทับพักหรคันทัพโผ คันทัูนึตัวคันทัพระ น, นี่แหละเป็นตัวรับบุญรับบาปเสมอบุญเสมอบาประหว่างจิติกับปฏิปน ท, ทีมีตัวคันทับโพไว้ตัวคันทับโพเนี่ยตัวคันทับโพนี้ในบาลีมหามหาปัญหพยาสูต ร, รท่านแสดงบอกเป็นขุตตาติดดกันบอกว่ามารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งมารดามีฤดูกำลังงามหนึ่งตัวคันทับโพมาปรากฏประทุมพา้หนึ่งทศเหตุตัดใจส า, ามประการแล้วการตั้งคันของปตรีก็เกิดขึ้น พราะฉะนั้นคําว่าคันทัโตูในที่นี้อ่ะถาจะอธิบายว่าหมายถึงโตอัตตาหรือหรือเศษตะปูอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่ามักติดรื่องอัตตากรเรื่องเจษตะปูในพุทธศาสนาเหล่าพระบรมศาสดาทรงคัดคร้านตั้งแต่กสอนมาแล้วแล้วก็นเหตุให้พุทธศาสนาแตกต่างกับลัทธิของพราหมณ์ตรงนี้แหละตรงที่ว่าพุศาสนาปฏิเสธอัตตาแต่ั้งพราหมน่ะละอัตตาถ้าเราจะชี้ว่าคันทับปูคือปูอัตตาแล้วถ้ากลายเป็นพราหมณวลาทักใส่ในจิตทุลาการ เขาจะนั่งคัทัโในกวางหมยแห่งบาลีมหาตันฮัเทเยนโสดีไม่ได้ไม้ถึงอัตตาหรืออัตสมันไม่ใช่อย่างนั้นคันัโทลในทีนี้นะ่ะไม้เพียงแต่ว่ า, าปฏิสุทธิจิท่านั้นเองไมาทุตัวปฏิสทธิจิท่านั้นเองแต่ทาไมพระมรรมาศ า, าสดาสิงห้ยบัญญัตโยหานทุกข์ชาวโลกมาเรียงมาเรียบคันพัพโคนั่นก็เพราะว่าขอเรกาต า, า, านโลกโยหานชาวโลกาปุกันเข้งจักกันทเรี้บัญัโตปฏิสทธิกิในขณะปฏิสทธิิขณะนั้นแหละเป็นคําทัพโ แต่คันับโคลในจามเห็นชาวบ้านที่เด็ก ช, ชาพดนะฮะหมายถึงอัตตาหรื อ, อัตมันหรอตัวเจตจะพูดที่เราเรีต่าง า, าเจตจะพูดออกจากใจเตะพูดออกจากจหรือูอย่างภาษาไยว่าตัวใจคตัวายคิยดนี่แหละเป็นตัวคันทับโคล เ, เรียกอย่างนั้นก็เป็นตัวคิดแต่ว่านในบาลีกแงหนึ่งหรือในกรีเียเมตาสูตมีคาว่าสัมภเวสีคนส่วนมากกระจาย บ, บว่า อ, อ๋สาอสัมภเวสีเนี่ยแสจงถูกส่สาหาสิเกิดคน คำว่าไปฮะสิเกิดทําฟังเอาคล้ายๆแบอกว่าเมื่อคนเราตายแล้วกอนที่จะไปเกิดมีอะไรอีกตัวหนึ่งนี่โอ้โหนา น, นข้นค้าแตกแตกฮ ะ, สะว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่ยแตแตอบ้านมุ่นข้าวบ้านนีรลอยระ ล, ลอกอยู่ไปเรื่อยอย่างนั้นควาเข้าใจชาบ้านเป็นอย่างนั้นมเลยบัรยากาศทีว่าไอ้ตัวสังเวสีเนี่ยคือพวกสีดิละที่มาเห็นกันมันเราคนดิละไม่คลายเลยความเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดสังเวยสีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีภาวะอะไรออกมาล่องเลย พระสังข์หาหาหาหาที่จะเกิดถูกคำว่าสัมภเวสีแปลว่าคือสังหาพบคําว่าสังข์หาพบเนี่ยท่านหมายเอาตัดทั้งหลายบรรดาที่ยังมีสวราคะอยู่ชื่อว่าสัมภเวสีทั้งนั้นมีสตวประเภทเดียวที่มันเป็นสังภเวสีคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตั้งแต่พระอนาคามีลงมากระทั่งสัตในโลกันเป็นที่สุดชื่อว่าสัมภเวสีเศรษฐะสวรรค์ะราคะนี่ยังรักไม่ได้ยังมีความปใจในพบอยู่ มันยังมีกัวอัาพอใจในพ อ, อยู่แม้แตอนาคาท่างก็ยังมีพอใจในพบกท่านคือในท่านสุดท้าว่าแย่างต่อมีการเ ก, เ, าเกิดอีกเป็นเอกชาติปฏิทักษะเดียวหนึ่งการเกิดอีกเพียงภาพเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาชาปรชุมกับสังเวสีต่ดเป็นนรกประชุมกั้งัเวสีมนุษย์เทวดามารณมบรรดานที่มันได้เป็นอรหันต์ชื่อัสังเวสีทั้งนั้นแต่การสังเวสีในที่นี้ก็ไม่ได้นหมยว่าเป็นเจตพูดหเป็นตัวอาตมันที่อย่างติดทน ตั้งเวทีอย่างไรปฏิสนธิจิตก็อย่างนั้นเไม่ง่ายว่าตั้งเวทีกับคําพักโพก็คือปฏิสนธิจิตติเองไม่ไปอิงกายที่ไหนเลยแต่ขณะว่าปฏิสนธิจิตที่มีได้นั้นมีได้จากอะไรที่มีปฏิสนธิจิตได้ไ ม, ม่ได้แต่เพราะเรามีพลังพลังฆะนี่แหละเป็นบาดฐานพรวังพระมาจากภวะว่บวกอังคะคือองค์ของทศองค์แห่งทศองค์ของทศตามที่ทศศาดเรามีอยู่ได้ก็เพราะตัวพลัง ถาหากวพลังเร้าไม่มีแล้วก็เป็นอนุชาทิเสสศนิพานาตุเพราะฉะนั้นถ้าอรหันตบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่พลังท่านก็ยังมีอยู่เพราะว่าพลังท่านนั้นเป็นวิบากเป็นวิบากอันเกิดจากสุดสุดสุรสตมสุรรตมแต่บางก่อนตรงแต่งมาเป็นวิบากอยูแต่เมื่อใดท่านถึงอนุชาทิเสศนิพานธาตแล้วพลังท่านจึงทำลายไปเป็นอันที่เชื่อเพราะว่านรกที่จะเป็นเชื่อของภพน่ะมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นลักษณะพวังขจิตในที่นี้น่ะ ในบาลีรุ่นพระอภิธรรมจึงได้บัดแรงมาจากคําว่าภาะปัญยาชาติถ้าในมีพภาวะแน้ชาติจะมีได้อย่างไรล่ะในภาะแล้วแล้วตารที่จะมีภละได้ก็ต้องมีอะไรเป็นเป็นส่วนให้เกิดภาะสิ่งที่จะเป็นส่วนให้เกิดภาะคืออะไรก็คือจิตเพราะต้นจิตอยู่ที่ใดภวะอยู่ที่นั้นเพราวะอยู่ที่ใดจิตอยู่ที่นั้นจิตตัจิตที่อยเป็นตัวภวะตัวจิตที่อยากเป็นภวะแต่ว่าภวะในพระอรหัน์นั้นเป็นภาวะส่วนผลส่วนภาวะในผูกลาบุตชินและสาริยะเบื้องต่ําเป็นภวะส่วนเหตุ พระภิกษุชนน่ะเรง่มแต่งเริ่แต่งพระสวัสดิ์เหตุเนี่ยทําเหตุคบทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเริ่มแต่งเหตุจากโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลที่อยู่ในปัะนี้แต่ว่าสัจญาบุคคลเมื่องต่างนั้นอาท่านเริ่มแต่งเบาบางกับภิกุชนลงเช่นว่ายโลภะก็เป็นโลภะที่เบาบางโทสะก็เป็นโทสะที่เบาบางโมหะก็เป็นโมหะที่เบาบางยี่เป็นพระสวัสดิ์เหตุทั้งนั้นส่วนของสัจญาขันธ์เจ้านั้นเป็นพระสวัผลเมื่อผลอันนี้ คงดำรงอยู่ช่วอายุขายท่านเมื่อติ้มเหตุสิ้มปัดใยแล้วถึงการอายุขายดับไปเมื่อดับไปแล้วระะก็ไม่มีธาตุจึงไม่มีพราจึงไม่มีบารณะจึงไม่มีพบธาตุจึงได้ยังนี้ได้เพราะฉะนั้นประวันขจิตคือจิตผู้รักษาพบเป็นองค์ของพโตัจิตที่ละอันโอมขงบโดยตรงเราชี้พบที่ไหนชี้ที่จิตชี้ที่พุงจิตชี้ที่พบเนยชี้ที่ไหนที่ติ่พุงจิตเพราะฉะนั้นทุ่มจิตที่ละนึกว่าเป็นกามาเราจะรวมก็อยู่ที่จิต อปนรูปตาเราจะระพื้ก็อยู่ที่จิตเป็นอรูปตาเราจะระพื้นก็อยู่ที่จิตเป็นโลกุตระพื้ก็อยู่ที่จิตนี่เรีกันจิตขึ้นมาพระอาจารย์ผูนรัตนาอธิธรรมจึงได้คิดจากบาลีในปฏิจจมุบบาทในคํำว่าะปฏิญยาชยาติเอาบรรติญญขึ้นมาเรียกว่าพลันกจิตถูกต้องตามพุทธสมาธิทุกประการไม่ได้นอกครูนอกแบบเลยทําตามพุทธสมาติทุกอย่างเป็นการ อ, อ, อ, อันว่าเราเรียกว่าพลันกจิตนี้เป็นตัวของตัวโดยโตรง ที่วาตัวของพบโดยตรงนั้นเพราะว่กพฤติกรรมต่างๆของเราทั้งที่เป็นฝ่ายบุญก็ตามฝ่ายบาทก็ตามหรือแม้แต่พฤติกา ร, รที่ไม่เป็นบุไม่เป็นบาปก็ตามที่เราทํามาทักเมื่อเชื่อวันทุกชาติทุกการทุกชุดหลายชาติอเนกอานันต์ต่างมานั้นทําไปเท่าไหร่ะะก็เสก็บผลนุ่มไปในระวังพิจิตรเท่านั้นระว่าพิกิตรนี่จึงเปรียบเหมือนที่เก็บที่เก็บบรรดาอารมณ์เก่าๆทั้งหลายที่เราทํามาแต่บางก่อนเก็บไม่หมดกเก็บแต่ไม่ใชว่าเก็บเท่าไหร่แม่รู้จักเอง พลังคจิตเนี่ยเจ็บเท่าไรไม่รู้จักเป็นค้ายๆว่าเป็นเทสตี่เป็นเทสนี่แหลเธอญคนแรกคนมาพูดอัดทับๆตันลงไปได้แค่นั้นอ่ะสียงาคนแรกจิตจิมันก็อยู่ในนี้ยิ่ัคนหลังที่มาพูดกระทะเขีนเทสนี้เทสเปรียบเหมือนตัวพังภิพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจากอคตกรัตอคติรัตนำของศัตรงหลายก็เปรียบเหมือนกันอัดเสียงใส่เรือเป็นเทสนี้อัปไะเท่าไรไอ้เป็นเทสนี้ไม่ได้บอกว่ามันอินหรือมันพอหรือมันแบบมันเต็มละรับไดแลวนี่นี่เลย อันสลายก็เจ็บกันเทานั้นแหละจนตาเป็นเทปมันก็ขาดเป็นผุยเป็นผุยุยเป็นผัผุยไปอันนั้ก็หมดหมดทอื่นกันไปทีเ้อฉันหยาบประวัวงเนี่ยละลายไปแล้วหมดแล้วอาชาทุบสิส่งสัสารหมดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเู้ประวัวงฆ่ามือหน้าที่เจ็บเจ็บอารมณ์เจ็บอารมณ์หลายสั้ง่ายมิ่งฝ่ายบาปแล้วถึงข้าวที่ประจวบป็โอกาสถึง่าวที่ประจวบประปรใจอันใดที่สมแข็งกันเข้ามากระตุ้น ไออารณที่เก well, <Is S 2> ิดผลึกอยู่ในพลังขจิตีิละมันก็โผลขึ้นมาเป็นพฤติการออกมาจากพลังก <gypt> ันอีกทีหนึ่งก็เสดอิละมีทำหน้าที่ก่อพลังนั้นนอกจากทําหน้าที่เก็ดแล้วยังทําหน้าที่ก่อทำหน้าที่ก่อคือต่อทกต่อชาติต่อพฤติกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างแค่คนที่ในพลังเขาเก็ดแต่เรื่องที่ชั่วช้าเพราะวาเป็นคนสายชั่วดรว่เป็นคนมีสันดานชั่วชาติใหม่ทกใหม่เขาก็เกิดมาแล้วเขาจะมักจะไปหา เพื่อเป็นคนชั่วถ้าไปเกิดในสังคมที่ชั่วพอไอ้การที่เกิดพบเพื่อ น, นชั่วอยู่ทั้งคมเชั่วอย่างถึแบบล่างชั่วเหล่านี้นะ่ยก็เกิดจากการล้มเอียงของอารมณ์เดมที่เกิดอยู่ในสวรรกระตุ้นให้เป็นไปเพราะว่าสีที่ตัวอบรมมาในทางนี้มากอบรมหนะักในทางใดก็ A N o N เอนโอนในทางนะั้นเป็นธรรมดาท่านไปอยู่ในสิ่งที่ชั่อความคามเป็นคนเชื่อตัวก็เพิ่มมากขึ้นตัวก็มีโอกาสจะสร้างการชั่วมากขึ้นก็กลายเป็นินพ่อหางหมูเติมเข้ามาในสวรรค์ อ้าวขออมณาเ อ, าเ อ, าอกอยู่อยงนี้นร่าไป้หรือเปรียบเหมือนนักฝ่ายผุ้เสเราเป็นคงที่มีอ า, ากินพประจำกันบรรเทิงทานติ๋งภาวนาเป็นประจำเกิดชาติตหน้าฟ้าหม่อยก็บรรดาใหา้เกิดในปติอุกเมรตั้งแต่เล็กแต่น้อกจะมีจิตใจใสผู้เสงอยากเข้าวัดฟังเทศอยากใลากล้คิดพอยากอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเหลา่านี้โดยไม่ต้องมีใครมากระตุ้นหรือมาบังคับเต็มใจเองโดยอัตฉาใสสันดานของตัวเองอย่งนี้ก็เกิดจากอารมณ์ดีๆทั้งหลายที่ตัวผนึกเก็บไว้ในพะวังมันเดยมิตรตัวแต่ชาติต่างๆก่อนนั้น มากตื่นเต้นเพราะฉะนั้นพราต้องจากทำหน้าที่เก็บอารมณ์และยังใส่ อ, อารมณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยเก็บต่อหลังจากทำหน้าที่เก็บกระต่ อ, อแล้วเรงดังทําหน้าที่เป็นครูให้เชื่อมระหว่างพบต่อพบเรื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างพบต่อพบ ด, ด้วยเพราะว่าเมื่ยาราเป็นคนตายจากความเป็นคนแรกในขณะนั้นระวังก็เลิกํ า, าหน้าที่เป็นพะวังแล้วตายในขณะที่ตายนั้นเป็นจิติ พอตุติแล้ก็เป็นตุติผลทีทันทีหลังตุติผลทีแล้วก็ลงพวังพลังอันนี้เป็นพวังที่ทบใหม่ต่างจากพลังพบเก่าแต่พลังพบใหม่นี้อันใดที่เก็บไวจากพบเก่าเขาก็ส่งทอดมาให้นะให้ข้าวัส่งคูดังสินค้าคูดังนี่เน่ยเข้าสั่งเรื่อเข้าเปนเ่าชราแต่ตอนจะเลื่อน่ะสินค้าต้องใส่ไว้ในคูดังใหม่เตรียนไว้ใส่คูดังใหม่แน่เพราะฉะนั้นพลังในพบใหม่ก็ต้องเก็บไอของเก่าที่เก็บไว้เท่าไหร่มาใส่ในคูดังอันใหม่ของเตัวมากเท่านั้นนี่เป็นมาตริของหนึ่ง เป็นตัวเชื่อแต่ถึงทบทุกชาติโดอาศายตัวผวังเนี่ยอเป็นสัพพัทธานครั้นี้พอมาในรูงของคัทนาจารในพุทธศาสนาก็เกิดเป็นปัญหาสิ่งทีเดีย ว, ว่าผวังขจิตนั้นเป็นธรรมชาติอย่างไรไม่ผวางขจิตนั้นมีกิเลสหรือไม่อันนี้เกิดจากการตีความพุทธพาสิก บ, บทหนึ่งในความว่าสัพพัตรมีดังพิโคเวติกตันดูการพิสูจน์ทังหลายธรรมชาติผวาจิตเนี่ยคุณทอง ที่ท้ามองปเพราะ เ, เ, เราะระลกุปกิเลสนะจอมานะผมแสดงว่าอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ท่านทัง้งหลายในรุปหลังก็าอาพุทธตาติมีมาตีกวามทีเดียวอะคำว่าพระพัรรมีดังเนี่ยหรือคำว่าคุดทองเนี่ยมาให้เอาล้างแค่ไหนคำอมาคุดทองอาจารย์ท่นานหนึ่งตีกวามอคุณทองในที่นี้หมายค ว, าว่าหมดจดจกิเลสแป่ว่าธรรมชาติิเี่เป็นธรรมชาติที่จบจกกิเลสเป็นภาพรู้ที่หมดจดจักกิเลส่มีอะไรท้ามองเลย แต่ที่มาต้าบมลีโลผ้าโทรศัพท์โมหะอันเป็นทีเดดขึ้นนั้นก็บรรล่าอาศัยการอบรมในปัจจุบันและอารมณ์ใหม่ในปัจจุบันเลยทำให้เกิดเป็นสิ่งที่หัวหมองขึ้นมาอาจารย์ท่านหนึ่งว่าอย่างนี้แต่ว่ามาติในฝ่ายเทระวัตบาลีเทระดัเราไม่ยอมรับมาติอันนี้เราถือว่าคําบอกบอกพุทธพันธสัมพันนั้นไม่ได้หมายความว่าบริบุทธิ์เขาพูดเจ้ามัไม่ใช่คำบริสุทธิไม่ได้กล่าวไม่ได้่คานี้เลยไม่ได้ใช้คำว่าบริสุทธิ์ ใช่แต่เพียงคำว่าขุดทงขุดทองนั้นไม่จำเป็นต้องบริสุทิจิตที่เป็นสมา ธ, ธิเห็นตะโถมะชานก็ชื่อว่าขุดทงแล้วขุดองจากมีวรห้าเป็นามเป็นความขุดทง่านตะโถมะชานจิตที่ได้พติชานก็ชื่อว่าขุดทองจากคุสภิจาอันเป็นเส่นน้ำของพติชานจิตที่ได้ตะพิยชานก็ย่อสุดทงจากปิติอันเป็นที่หนาำของปะิยชานจิตที่ได้จะปิชฌานก็ย่อมุดอง ยากสุขึ้นมาอีกมันดับํำดับดับบ้นขึ้นมามีแต่อุเบกขากตาักรดัะต่ความฝุดทงนั่นะมันมีนลำดับชั้นความสุดทองในที่นี้ไม่ยช่ไหมทุกความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าอาิตเป็นธรรมชาติแต่ัดสอนจะเล็งอาว่าฝุดทองนั้นไม่ได้หมายแต่เพียงว่าไม่มีอัคคัญตุกะทิเลที่จรเข้ามาผสมท่นนั่นเองอคคันตุกะทิเลศในที่นี้น่ะก็เร็งเอาความว่าได้แก่ทิเลชนิดจิตเป็นวิจิตกามบังทิเลชนิดจิตเป็นปฎิยุทธานะบาง สองอย่างคือกิเลสตแห่งเป็นสามสามมือมือหนึ่งเป็นวิจิกมรรม ก, ก, ก, กิเลสเกิดขึ้นกะใครแลาตาต็คงพูดทำอยาตายจะประพุตนเป็นเหตุให้ประพฤติไปชีพทิจรีตายจะทิจริีร่วงอุโทนตัมบบุกอย่างนี้เป็นวิจิกมรรมกริเลสบริยุทธานะกิเลสเกิดกะใครไม่ถึงกระ่องตัมบบุกแล้วตมม แ, ลแต่มันทำไม่รหม่องใจเช่นเกิดตามมาฉันทะบังพยาตาทบางังวิจิกิ้าบางังสีนักท้าบังอุทักษกอุทักษบ้างเข้ามากลุ่มเด ถ้าไม่จิตใจไม่เป็นงกสติจะนานจะนั่งไม่มีความสุขบุญเมตตในใจอย่างนี้เป็นปริยุทธานะกิเลสถ้าุทธาติดที่ว่าถรามชฆ่าจิตประทัดสอนประทัดสอนจากสอง่นูนี้ท่างหากจากปริยุทธานะจากเวทิกามักเท่นั้นแต่ถ้าว่ายังมีกิเลสที่เป็นเชื่อสายนอนอยู่ในขันธ์พนานคืออนุใัยะกิเลสคือกิเลสที่ตามนอนเนื่องกิเลสตะเข้่ะไม่ได้อยู่ในคําว่าประทัดส อ, อยู่เลยถ้าจิตจะพี ตอจากอนุสัยก่เลดแล้วเอถ้าอย่างงั้นคนเราจ็เป็นอรหันตมาแต่กาเนิดตัวสิแล้วคุณจะมาเป็นบุคคลในตอนที่ตอโตงความแล้วรูกรูชังแลสิอย่างนั้นแล้วคูณที่เป็นอรหันต์ก็อาจจะกลับเป็นบุคคนได้นั่นสิถ้าไปไปอาจจะเกิดอะไรจเจออรมมัวหมอก็มาสิงมาตูอาอีกแล้วตวมิได้อรหัตสมาก็เป็นงนั้นได้นีนสิแต่ถ้าหา่าเราไม่ยอมรับว่าอรหัตตะคุเป็นของเสื่อมได้เราก็ไม่ควรจะยอมรับว่าจิตนี้ตอบโตงจากอนุสัยตั้งแต่เในกันขาปีอ ทุกในมีบาลีบางแห่งในมหาตันสยสุสตีในมหามาิถันสุสดีท่านแสดงคล้ายๆบอกว่าทารกเนี่ยทารกเนี่ยเกิดมาแรกนะ่ะกิเลสบางอย่างไม่มีถูกที่ในต้นทารกบางอย่างไม่มีด ไ, มมดได้แต่กิเลสประเภทวิปิกรมะเพราะทารกยังไม่รู้จักอารมณ์ที่เป็นส่วนหยาบอันจะเป็นเหตุให้เาิดถุกสวาระอ่าเรืออ่องอาจจะเป็นเหตุใหมันเพ็ญนินมยมใจจะที่เจริญใดๆได้แต่ไม่หมายความว่าทารกสี่ขิบมันจะไม่มีกิเลสนะไม่ใช่ที่ ทำทันเธอพาบ้านโดนใจของท า, งาลุกแรกเกิดในบริสุทธิ์นั่นเป็นเพียงแต่บังดับิของชาวบ้านแบบบริสุทธิ์มันไม่เป็นบัญดับิของสถาระบังดับิโทางของสภาวะแล้วใจชาวบ้าจะบริสุทธิ์ไปด่าถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดถ้าบริสุทธิ์จริงแล้วพระชาติไม่มีไม่เกิดก็เป็นพระอรหันที่ยังเกิดก็แสดงว่ายังไม่บริสุทธิ์คือยังพาเอาอมีไซสกิเลสคือกิเลสที่ตามนอนเรื่องอยู่ในถางเนี่ติดมาด้วยแต่ว่าเวลานั้นอมีไซส์กิเลสนั้นยังไม่แสดงอัการออกมาคล้ายๆกัดชื้อ ที่รลักกบเข้ในในเม็ดโลหิตของเแล้วยังไม่ถึงกำหนดที่มันจะสดงตด ว, ตว อ, ออกมาคล้ายๆกัราลับเชื้ไข้มาลาเรียมายังไม่ถึงกาหนดที่มันจะแส ด, ง, ดงตั ว, ต ว, ต ว, ตวออกมาอาการาร้านก็ไม่ปรากฏอตราลับลับก็ยังไม่มีแต่ในขณะนั้นถ้าจะเลือดไปตรวจแล้วจะเห็นเชื้อ ม, นนมาลาเรียนนเต็มเยอะแยะในเม็ดโลหิตีเดียวฉันใดไอ้เจ้าอนุสัยกิเลสในดวงจิตของทารกเืออเสบก็ดีหรือว่าในดวงจิตที่ถือกันว่าเป็นประทัดสองก็ดีต้มีอุปมะแม่ฉันนั่นเหมือนกันพราฉะนั้นมันติดที่ถือว่า จิตเป็นธรรมชาติสัพพสอนเล็งอว่าบริสุทนั้นตามพัฒนาของสายเทระวาตเราเราก็ไม่ยอมรับอาจารย์่ายที่ถือว่าจิตสัพพสอนคือจิตบริสุทธิ์นั้นคือคณะอาจารย์หนึ่งคือผู้มีกายมหาสังจิตก็ว่าในกายนี้เมื่อถือมัตติชาติจิตเป็นบริสุทธิ์จะก็เลยมีมัติว่าอนุปัฏิกิเลสนั้น่ะไม่ใช่จิตสัมปะยุตตถะไม่ใช่จิตสัมปะยุตถ้าถือว่าอนุปัยเป็นจิตสัมปยุต้วก็จะสกบว่กลางข้ออ้างให้ตัวเอง จิตวาิรอั น, นสยกิเลสเป็นจิตตะวิทยุธธรรมไม่ประกบอบกิจอาจารย์รโนี้ท่านยกตัวอย่างให้ดูคือว่ายกตัวอย่างในขณะโสดาปติมัคเกิดแต่ทีในขณะโสดาปติมัคเกิดเเขณะโสดาปติมัคเกิดทหน้าที่ปรานกิเลสที่เป็นสังโยช์เบืองต่ำให้เป็นสมุเฉดมีศีละสัตตะมาส ก, ก, รร า, สกา ย, ยพิจิตพิจิติฐาที่ในสามกองนี่เป็นวิสัยจิตโสดาปติมัคจะพืงที่ททา ถามว่าในขณะที่โสดาปฏินักเกิดในขณะนั้นนะ่ะขณะเรื่องนั้นนะ่ะอยากจะทราบว่าบรรดาอาสวะกิเลสที่เป็นสองยอดเรือ่อูอยู่ในจิตดวงนั้นรหรือจ๊ะอยู่หรือจ๊ะในขณะนั้นอถ้าเรายถึงว่าในขณะโสดาปฏินักขณะนั้นยังมีกิเลสอันเป็นอนุสัยประกอบอยู่ในโสดาปฏินักแล้วอาจารย์ฝายนี้ท่านจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมัตยอันเป็นสุกกะธรรก็เชื่อว่าคนเตะกับ จัดอาสะที่เหลือที่เป็นอสุกธรรมมักทำอันเป็นสายขาวคือเป็นสายโลกนนุตระอุสนก็ชื่อว่าพลเตทำอันเป็นสายดำ น, นะสิมกักอันนั้นําไม่เป็นมกักจิตแท้แล้วเป็นมกักจิตเมืองหมองจิละคนเป็นไปได้หรือว่าในขณะจิตดวงเดียวอ่ะขณะนั้นมีทำหน้าะจิตทหารที่เลหลืส่วนยากได้แล้วในขณะที่โศกตัดปิด ม, มักนั่นแหละก็มีที่เหลือเชื่ออยู่ด้วยอย่างนั้นมักผลมิสังฆะกับธรรมที่เป็นสายอาสวะสายปะวะมิสังฆะกับอาละธรรมอย่างนั้นหรือ ท่านบ่าอย่างนั้นน่าคิดถึงกันในนี้นี่ก็น่าคิดคือว่าโผลดาิมัคคิจิตประชาคามีมักคจิ ต, าานตอนาคามีมักคิจิตมัคคิจิตแต่ละดวงระ่ละดวงสวยขึ้นมาต้องข้ามีปทหารกีเรสเราไม่เถียงอาจารย์่ายนี่บอกว่าไม่ได้ถ้าเรายรามอมราจะอนุสัยเป็นจิาตตสัมปยุทธ์มีอยู่ในขันท่าขันบาของตัดและมัคคิจิตในขณะนั้นเป็นหมู่พระชื่อว่าวนเตยกทำายดา ทำ่ายขากับทำฝ่ายดาจะอยู่ในที่เดียวกันขณะเดียวกันไม่ได้จะอยู่พกอยู่กันก็ต้องนนอยู่กันคนละขณะไรนั้นแต่ถ้าเรามาพิจารณาดูตามมติเทรวัตสายบาลีว่าขาะ น, นั้นมีกิเลสมีไหมขณะโสาปติมักกิดเปิดนีกิเหมต้องตอบว่าจะว่ามีก็ไม่ได้ถ้าว่าไม่มีก็ไม่เชิงถือว่าถ้าจะว่ามีมรรคกิจก็ชื่อว่ามเตสาตธรรมอย่างอาจารย์พู้นี้ว่าถ้าจะว่าไม่มีใครงั้นโดางรกายเห็นล่ะโดาปติมัคจะตังรกายลัน์่ะ เพะว่เลดสังโยเกื้อง่งแต่เราได้ยางละไม่ได้โอ้ด้ปฏิมาคติหนึ่งเพียงแต่ทำหน้าที่ละละละทังโยเกนึ่งต่ำส3มอย่างที่ลามาิม่ติดฉาบตะปฏิมามาธกาิยาทิฐิเท่านั้นเองนี่นะแต่สังโยกื้สูงไม่คยมีสายา ja. ที่เคยดปฏิมากติละได้ไม่ขนาดนั้นสัตไรายจากเยด้ปฏ um. ิมากติเพ so kind of ื่อแล้วเตยนี้ปฏิมาติก็จะต่างอะไรจากอัลลัสิมากติไเพราะฉะนั้นพยากรณไม่ได้จะได้แมีก็ไม่ได้ ถ้าบอกว่าีาดาสัญญ์มัคคิจอันเป็นโรกุตระกุศน์ก็จะเปนเตกับสารประธรรมใจถ้าจะว่าไม่มีเถ้าดาสปิมัคคิจจะสั่งอะไรกับอรหัตมาคิจเราว่าเถ้าดาอย่างละสังโยบุญถึไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแลมีไปอยู่ที่ไหนถ้าจะถาเรื่งตั้งทุกบินแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในเถ้าดาสปิมัคคินั่นแหละแต่เขาว่ามันไม่ถ้าแดงิศถงในคำนั้นไม่ถ้มแดงทิศตมาเหมือนหนึ่งพุ่มมะม่วงใบมะม่วงเม็ดนมตะกินมะม่วงล ตัอหวานมันเย็มของมะม่วงมันก็ติดอยู่ในเม็นั้นแหละแต่ในขณะท้่เราเอาเม็ดมะม่วงมายส่มือเราบอกว่าต้นต้นมะม่วงไปอยู่ที่นี่เกลือมะม่วงอยู่ที่นี่รับนะม่วงไปอยู่ที่นี่เท่าอย่างนี้ก็พูดได้นี่กันแต่ถ้าลําพังเม็มะม่วงเม็ดนี้เนี่ยยามเฉยเมันจะมีกล่นให้เราไหมมันจะมีต้นงอกให้เราไหมมันจะมีใบงอกให้เราไหมมันไม่มันไม่มีแมะต้องอาศัยการปอเปออาศัยอุตุนิฟ้าอากาศน้ำมันถึงจะติโตขึ้นมาให้เราได้ขนาด เออดาปฏิมาคจิในขณะนั er, you know, ้นก er. er. ็เหมือนกันยิ so, no orar, mais, ่งดูเออดาปฏิมาคติเป็นโลกุตระสุเป็ยเนโลกุตระจิตแต่เพราะว่าอาึุงใสกิเลสอันเป็นสังโดชน์ใสสูงสุดไม่ใสวิสัยของโสดาจระได้นั้นทุกทิศที่นั้นแหละถ้าไม่ติดนั้นจะไปฝากใครไว้ที่ไหนมีใครละฝากกี่หนึ่งัคราบ้างอย่างเช่ดาปฏิมาคติทหน้าที่ทหาเกตสาเหลีอยมหงสามป็นสมุเ ขอฝากว่าจะใครจะิอย่าสุกเลตตรนี้หารเสร็จแล้วันอยันีเอาึ่งสูอาเข้ามาใสยในกิจทีหลังเป็นอย่างนี้มือไหมก็ไม่มีเมื่อมมีแล้วมันเป็นที่มั่นเองเหมือนกับายที่นตะกุ่นันงมะวงเสร็จจะมันนิดจะม้วแล้วไม่เหม็นไม่เหม็นใบเลยเหมืนสันมันเมื่อใดนั่นแหละก็จะตกอารมณใหม่ต้อเปลี่ยนเหมือนว่ได้ปลูกใหมยอะไรใหม่แต่แล้วุลูกที่ควรใหม่อาหารใหม่เอื้อทใหม่ันก็ตกตงวกินมาฉันใบ้ไปฉันนั้น เพราะฉะ น, นั้นมติารี อ, อธิฐานปีเวรยันว่าอักนึ า, นายกิเลสนั้นเป็นติดตรัศมปยุทธ์ปกติไม่ใช่เป็นติดวิทยุท์อย่างอาจารย์บางหลายสัญญาเปไน็นอย่างนี้นี่เป็นมติอันหนึ่งแต่มาเมื่อพุทศาสน า, นม า, มาเจอเรื่องจิตนมาลาปาะเทมติเคลื่อนจิดเนี่ยก็ไปเ้าหน้าไปไกลข้าไปอีกขั้นนึ่งเช่นนอไปถึงประเทศจีนเก า, า, าหลาีทัฒนาเรื่องจิตขึ้นมาอาจารย์พุทธศาสนาเนี่ยมือตท่านอธิบายเรื่องจิตแตกต่างไปจาก ทศนะลึกลึกในอธิธรรมทั้งสิ้นออยการทั้งปวงทต้องการอธิบายว่าอ่าที่สี่หกสี่สี่จักรทศนะสี่หกนี้สี่สี่็กน่ะแปลว่าจิตอันใดทุกพระต่ออันนั้นสีนจ่จักรทุติดย อ, อ, อยู่ที่ใดทุตพระเป็นอันนั้นเอาจุดเป็นทุกพระเอาทุกพระเป็นจิตวันตรุษทุตพระภาวะแห่งทุกพะคือความเป็นพระพุเจ้ดด า, านั้น มีอยู่แล้วในจิตจิตนี่แหละเป็นภาตุแหงคามเป็นพุทธะนี่จะง่ายๆเป็นภาตรู้เป็นเธอทุฏฐะจิตนี้เป็นเโอทิฏฐะหรือเป็นทิฏฐิทิฏฐะรู้รู้ในที่นี้นะมันจะรู้อารมณ์นะรู้อารมณ์แล้วก็ทางบาลีอธิพัานกระโจมตันเพราะจิตนั่นแหลมีลักษณะเป็นวิชฉานรรลักษณะคือลักษณะที่เรารู้แจงในอารมณ์อารมณ์ธรรมดาเป็นรู้อารมณ์ดีอารมณ์แลวอ่านี้รู้แต่ธรรมอ่า แคาดหรือคิดคิาดหรือคูทิาด อ, อันได้แต่ตัวจิตตามลักษณะของอาจารย์ในมือจ น, นัน่ะไม่ได้หมายความรู้อารมณ์อย่างที่เรารู้อารมณ์ันสามันแต่พูดกันง่ายว่านิทานมาะจิตจิตก็คือนิทานนิพานม่เอื่องไปจากจิตจิตก็ไม่อื่นไปจากนิทานมันจัดเป็นนิานจาจิตจิตคือนิทานเลยถ้าอนั้นเมื่อคืนวันจิตคือนิพพานแล้วจิตจะมาเวียนได้ตายเกิดอนิยรรคทังอนัตตามไม่ได้จิตจริงไม่ใช่จิยนยานฐาน ข้าฮะก็จิตนเป็นวิญญาณขันและเอาขัน้าไปอนิจจังนี่แล้วจิตก็ไปอนิจจังไม่ามกอนิจจังสอาจารย์คุษษษาสนะในเมืเองจีนโดยจะพระนิกายจิตเวลานี้จิตแพร่หลายในดวงคือมีกายเซนอะมีกายเซนถ้าถือบอว่าจิตนี่แหละเป็นพุทธไม่มีทานละตัวมีทานเนี่ยเป็นตัวจิตอะตอนที่เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นพุทธนะก็เท่าวิชามันหึ่งพออตมามันธรรมชาติของดวงอาทิตเนี่ยมีแสงสว่างสุขภาพอยู่แล้ว แต่ว่าบังคายบังสมัยถูกอเม็ดำทะพุ่งมาไว้ในขณะที่เม็ดำทุ่งอยู่นี่ะก็ไม่แงอิษฐนนะเป็นเียแต่ว่กเม็มันกีาแสงไม่อาจจะทะลุเม็ออกมาทั้เองเมื่อใบเม็ดลยอออกไปแล้วแสงสวก็เดิมแสงสวางกอนจะถูกเม็บังแสงสวางในขณะที่ถูกเม็บังแสงสว่างที่หลังเม็บังแล้วากันไม่ไม่ได้ยางกันเลยไม่ใช่ว่าแสงสว่งก่อนเบังวงจ้าขณะที่เมบังแสงหายแสงก็ไม่หายคงเดิมนแหละ แล้ว่าถ e like ูกติดกันด้วยเม่นั้นเองแล้วแต่แสงหลังแม่อัตเลาะก็คงเดิอีกเหมือนกันเหมือนสัตว์ลิานะจิบในสัตทั้งหลายัทั้งหลายเป็นพุทธะโดยไรู้ตัวอยู่้วแล้วม็รู้ตัวเองวาเราทุนเนี่ยเป็นพุทธะภาวะของเราภาวะของพระพุทธองค์เสมอกันแต่พ้ว่าทาไมเราต่างกับพระพุทธองค์ล่ะเรายังม่เลยพระองค์ยังม่จีเลยต่างกันนั้นพอแลพระพุทธองค์ท่านไล่ไม่ออกจากพระองค์หมดดจิตท่านจึงสว่างลาย ตอนเราเลิงถูกเมังหรือเมฆคืออวิชาแล้วนี่ทางสารธรรมแบบว่าอยากจะรื่ไงไอต้นตอนจะถูกเมฆบังทาไมหรือดีแล้วเมฆจลอยระเบียได้อันนี้สิครับมันน่าคิดอันนี้แหละอาจารย์สาที่ถือว่าิตเป็นสุขะาเนี่ยคือว่จะต่อบแบบว่าเอไอตอนที่บางอนจะเมฆบังก็เผาการทุกข์จาตใจใน่ไหมสุขชาของทุกข์จิตใจต่ เป็นเป น, นเป็นทิฏะกันเล่าก็เป็นทิฏฐะเหมือนกันต้องมีตางตาตางทิฏะเหมือนกันทาไมอยู่ๆเราต่อให้ไอ้เมฆลระบาได้ <g ül> แล้วอะไรเป็นเหตุอะไรไปปกันให้ลาาบาอยเนี่ยแล้วล้วเาิที่ทำในห้ดงเนี่ยถ้าทําง่าเมฆจะไปอะ่ะแล้ววัหนึ่งข้างหน้ า, าอาสุดเมระบาอีกได้นะมีม่เปัญหาอยู่เหมือนกันอาจารย์ต่อนี้ก็แอบอ่อแ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเรื่องนี้นะเตอว่าไอ้เมฆใกล้แสงสวางเนี่ยมมาพรกันคือบดอิ์นี้ในขณะใดก็มีเมฆเกิดในขณะนั้ ถ้าว่าไม่มีแต่อาทิตย์วิมีหลังนั้นอวิชามัมีก่อมี่อนล้วหนอวิชาแล้วิชาทมถึงมันเงยมาลรงนเลยหายอวิชามัดงทำไมเป็นปัญหาถ้าบอกว่าอ่าเรืองอิย์มีก่อนถ้าคุยมีก่อนไอทาอวิชามีมาภายหลังอันนั้นลเราก็รับระดาบนี้คุณรู้ได้ิอย่างนี้เราจะอยนี้ก็เป็นคุ้ท่าแล้วก็เสืมได้นหกันแล้วถ้าคุจะเจ้าที่ทําลยเบางเ่ยถ้าจะได้เมฆอะกไปอะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าถ้าอากาศติด้มฆจะมาหาอยู่เหมัน อาจารย์ตายนี้ก็แอบอัมัน็มเอ็มบวาเรื่องนี้นะต้องตบว่าไอ้เม่ใกล้แสงตว่างเนี่ยมีมาพรมกันคือเมอาิตย์มีในขณะใดก็มีเมฆเกิดในขณะนั้นพร้อกันเมฆก่อนเมฆหลังถ้าว่าเมฆนี้ก่อนอาิตย์มีหลังงั้นอาิต์ชาก็มีก่อนมีก่อนแล้วหนุยอาิตชาแล้วอาทิตมาึอย่เงี้ยมันลอยหายห้ยอาิธร์เมันดังทำไมเป็นปัญหาถ้าบอกว่าอาเมฆอาิตย์ีก่อนถ้าก็ฆามีก่อน ไอชาตอาวิชามีมาภายหลังถ้ชาติในนั้นเราว่รัก็ชราแต่ว่าตาเป็คคนเลิกได้สินี้เราจีนี้ก็เป็นชุทธนแล้วก็เสลี่กกนลลนลยนได้นี่กัแก น, กนแบบเดียวกับตัวที่ือว่าจิตบริสุทนี้นั่า น, นั้นกันทระสิเพราะฉะนั้นถ้าติดอาจารย์ในมือคืที่ถือในใจเส้นสายในจริง ก, กล่าวบอว่าอ น, นุฆาตโขเบืองต้นมนปรากฏเบืองต้นใปรากฏจะกว่าอาวิชามีกอนาติุธะก็ไม่ือแล้ว่าชาิาุทธามีก่อนอวิชาก็ไม่ถือเขามีมาพันธ์พรางันนั่นแหละไม่ต้องไป ค้หาต้นมันละหน้าปีท่เราครืองวเราทุกคนเนีนยมิจฉาอยู่แล้วบางอในฐานะนี้มุจฉาของเถูกเมกันบางมิจฉาในโอทัศร์มาทวิตเจ้านั่นน่ะท่านเท่าเมฆบางไปแล้วเป็นคนแมกท่านบอกเรแต่เรทั้งหลายมิจฉาเหมือนท่านนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะเหมือนท่านก็ต้องพยายามขับไล่ไอเจ้าเมฆออกที่มาจับซติดใจเราไปเสียเท่านี้เองเราก็้าท่าทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผ้าติดของตื้นตื้มากว่าจงเต้นจงเต้นตะกินตรงนั่ ตู้ฮุกตุ้ยตรนั่นทายจินบอกน่นแปลปลายว่าตู้เซนต์ตีอินตรงั่นนั่นหมายความว่าทั้งสัตว์มีคลทั้งหลายน่ะเป็นพุทธะในส่วนเหตุนะส่วนเตู้ฮุกตีกุ้ยตรงนั่นส่วนทั้งพุทธะทั้งหลายนั่ะเป็นพุทธะโดยส่วนผลเราทั้งหลายน่ะมีคลเป็นพุทธะในส่วนเหตุเรายังไม่ได้ผลนะยังเป็นเหตุเหตุแห่งควาเป็นพุทธะเรามีพียงแค่หนึ่ตัวแต่ยังเหตุอันนี้ยังไม่ผิดผลออกมาให้เขาว่าพืชนแห่งความเป็นพุทธะเรามีอยู่แล้ว แต่พืชอันนี้ยังไม่รับการไถ้าันยังแต่พระพิพิธเจ้าสง่าที่ฉันเป็นลูกสำเร็จไปน่ะเหมือนหนึ่งพืชที่ไถ้าันแล้วเติบโตข้าว้าวบัวแล้ต่างกันอย่างนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันจะเหมือนกันคือเป็นพืชอันเดียวกันคือพืชที่กลางเป็นพุชชาเสมอกันเพราะฉะนั้นนิกลายที่จะต่าคือนิกลายเซนที่เกิดในเมียนมาร์เปองสไม่ต้องไปหาพุชชาก็แงนอนิพานไม่ได้ไม่ได้อยู่ตะวนออกตะวันตกเหนีอใต้ดาวนิพานไม่ได้อยู่ในอินเดียไม่ได้อยู่ที่ไหน ที่ทำที่ไหนยึดในตัวของเราดีแหละยึดท่ารู้องเรเีแหละถ้าเราทาให้ท่ารู้ เ, เนี่ยาาพุทธจะไมาจับไอ้เจ้าเวทดำดีแล้วเราคือพุทัถ้าเราใส่ให้ท่ารู้หมดทงตรงินตรงตาอยู่เราจะเป็นกิจชนตอนเแค่นี้เองท่านจึงอุตมาว่ะเหมืนหอนที่ถึกเพชรที่ยังไม่เจรไนยังอยู่ในดินในตายะเห็นเหมือนพุทธะที่อยู่ในษิจชนสลายยังไม่ถูกเจรไรก็ยังไม่ต้อเห็นอยู่แต่ตอนยังไมก้เนห็นเนื่ยมีตามเป็นเพชอยู่แล้วนะ ส่วนพุทธะในพระพุทธเจาทั้งหลายนั้นได้แก้ต้องหยิบจิเจริญในแ ล, แล้วมาประดับเรียนแหวนแสงแหวนเวลา่า ง, ง, งทาวทีเดียวเนี่ยต่างกันอย่างนี้นต่างกันแต่เพียว่ายังไม่เจริญนแต่เจริญในแ ล, แล้วเท่านั้นเอาแฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือก็อยู่ในสัง ก, กัปปสังส ก, ก, กัปป้าก็าานนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระพุทธเจ้าอยู่เป็นพัะนะรื่องิตแต่เป็นการเจ้าหน้าที่เจ้าหนึ่งม่พุทธศาสนานี่ไกลป็นสายมหาอย่างเขาแน่นิ่ง ดยที่เอาศีลวะนิพพานเป็นจิตหรือพุทธะเป็นจิตเป็นอย่างนี้อถ้าเหตุนั้นอาศัยมหายาณจึงมีความคิดไส่ใจเพาเมื่อสมัมมาทังหลายมีธาตุิตเป็นพุทธะรองกันแล้วเขาจึงกล่าวว่าชีวิตทั้งหมดในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุ่งกบเขียดมดเป็นหนึ่งเป็นเอาอันหนึ่งอันเดียวเราจะไปดูถวมดตัวนี้จะมีมีพุทธะหรือมีน้อมดเนี่ยมด ธ, ธาอยู่ในมดมดธาอยู่ในปวดมดธาตหือยู่ในธธยุ่ ยิ่งเอ้ยเปลอเอ้ยมุดเอ้ยมีพุทธังนเสือแต่มีพุษษทธ้างแมีพุษษาทธสุษษาานัมีพุษษาทธพุทธอยู่านั้ษษาานยิ่งเเขาไม่ได้แต่ว่าพุทธในตัวข้างน่ะข้าหลอเป็นไอ้พุทธที่จมดินจมไ้เป็นมากส่วนดินส่วนไน่ะมาเครือนมากส่วนพุทธในจิตของกาลยานชนน่ะเป็นพุษษทธที่มีส่วนดินส่วนายเชื่ออยู่น้อยต่างกันแค่นี้เองแต่ส่วนพระเป็นความพุทธและท่าันแต่มหาญาณจึงให้ความหวังว่าในวันหนึ่ง แต่ท้งหลายจะต้องเข้านิพพานด้วยกัรหมดทั้งสิ้นในวันหนึ่งนะจะต้องเข้ามิพพาหมดเพียงแต่ชาวยังชนิดอีกอยู่ที่การเวลาทำเองที่จะชาเลยวความคิดอันนี้ก็เป็นประโยชน์คือทำให้จิตใจเรากล่างแหวงมีปวากโอบอ้อมเกลืแพรเห็นทุกคนเสมอกระเราให้ความา ร, รู้สึกเกล่อแเป็นสมรช า, าิพาราภิพาได้ผลในทางนี้ต่มาวิจารณในตอนเห็นอย่างนี้ว่าสำหรับพุทธศาสนาส่ายบาลีเราให้ความทัศณะอย่างไร ถ้่บาลีเลยน่ะให้ยางยุติธรรมที่สุดไม่ให้เกิดเป็นปัญหาคทางมติพุทธศาสน่ายบาลีถือว่าธรรมชาติงจิตนั้นไม่กเสร้อยเ็ไม่ใช่อศสน้อเปเ็นเป็นอัพยาสิท์ดังได้ว่ามาคางินะฮะเป็นอัพยาสิทธแท้ๆแต่ว่าันอัพยาสิทธนั่นแหละมันเก็บเอาทั้งกิเลสอัตศสอยู่ในนั้นด้วยเก็บเก็บอารมณ์เกๆคออารมณ์ค้าอันปะสมมาจากุเรชาติอยู่นนัและอารมณ์ค้าอย่านี้มันจะคปกระตุ้นให้เจ้า เ็้าของสิ่เผิดดวงันคลองอยู่ถ้าอัตชาร์สายสัญญาลโน้มเอียงไปในทางที่เป็นมุ่งที่เป็นบาปตามตามอารมณ์ทั้งหลายที่เก็บไว้ว่าควนไห น, น้ำหนักจะมากจะน้ยกั น, นถ้านนหน้าที่ของชา ว, ว ก, ก็คือ ว, ว่ า, มาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถ้าเราพิจารณาตั ว, วเองว่าอัตชารสายสัญญาเราโม่ อ, อียงไในทางอกุศลมากเราก็มีกว่าไม่ประมาทพัายารสร้างตำแหม่ที่เป็นสายกุศลเอาไว้มากๆจะได้ช่วยกันแช่เทา ให้พลังของเราเนี่ยได้รับอารมณ์ดีๆทำให้เราได้เยอะๆเต็นประโยชน์กทําให้พลัมวิญญาณฐานของเราเนี่ยสูงขึ้นเป็นกันดับไปส่วนที่ดีแต่ถ้าหากวเรารู้ตัวเราเองว่ามีอัตราไป้ั้นดานโน้มเอียงในทางสุนทรขันมากๆอย่านี้เราก็ไม่ประมาอีกเหมือนกันหรืว่าไม่ประมาที่จะนอนทิบุญเก่าหรือนอนกินบุญเก่ารีบสร้างคุณใหม่แต่คุณเก่าไว้เพราะว่าถ้าคุณเก่ากินหมดแล้วมัแล้วก็แย่ลาบาก ต้องคอยต่อุนวิธีต่อุนคือว่าต้องเพิมวิริยะภาพในการเจริญทานศีลพาวนาอย่างยิ่งใหญ่ส่วนการวันนิพพานเป็นกิตหรือไม่ทางพุทศาสนามติแห่งเราว่าในปายบาลีไม่ถือวานิพพานเป็นกิตถ้าอะไรถ้าันิพพานเป็นจิตกิต น, เ น, นีเปนมีวิญญาณหลักฐานิพพานก็ไม่เทียบอย่งยยายงวิญญาณหักฐานเดวิญญาณหักฐนก็คือจิตจิตก็คือวิญญาณหลักฐาเพราะฉะนั้นมติสายบาลีจึงถือว่านิพพานนั้นเป็นเพียงธรรมชาติให่จิตรูเป็นอารมณ์ของจิต นิพพานจรงผมแค่เขาเป็นธรรมารินเป็นธรรมารมณะอันจะพึ่งรู้ได้เลยนักคจิตผลรจิและนิพพานนี่มันเป็นธรรมาริอันจะพึ่งรู้ได้เวยมักคจิตผลรจิตถาอย่างนั้นนิพพานเป็นธรรมารินแล้วเอมันดูค่ยๆบบว่าจิตแต่ส่วนหนึ่งนิพพานละสูนไม่เกวข้องกันเลยรู้สึกว่ากเป็นมือมือไม่ด้เกี่ยรมันแล้วเวลาออกจากผลกจิตนิจายมีกุนละให้เข้ามาในขณะนักคจิตผลรจิตเกิดนิพพานในอารมณ์ละตอนนี้บริบริสุทธ์ไหมแต่พอออกจากผลรจิตแล้ว นิพานต า, แ, าแล้วไม่ได้อานอารมณ์ละเอาอย่างอืนออออ่นเป็นอารอามณ์อารมณ์ที่เป็นกางเป็นอารมณ์บ้างบางต า, ตาอารมณ์บ้างเดีมันอยากมนอารมณ์บ้างแต่มหักกะอารมณ์บ้างอย่างนี้ะาอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าจิตเขาว่าอรหันต์้ก็โสดาอย่างนี้นิจัยกับเป็นมุจฉชอีกิรไม่เป็นเลยทำไมาถึงไม่เป็นก็เร่ า, านในขณะที่มรกคจิตเติดนั้นบันดาสิเลหลาวใดอันจะคือไม่อริยะบุคคลนั้นให้กับเป็นบุจฉมุจน่ะสิเลสลาวนั้น มัจจิตได้ทาหน้าที่ทหารอย่างถอนราาถอนโทนแล้วพอนไม่เหลือแล้ในขณะขณะวัดเดียวนั่นแหละถอนโทนของอาตละที่เจ็บทะลุแคในพลังน่ะพูกถอนร่าโนหมดเลยไม่เหลือและเพราะฉะนั้นถึงแม้จพ้นจากอาตระแห่งมัจจิตพลัจิตก็ดีไม่ขณะนั้นแม้จะรับอารมณ์ที่เป็นตามะอารมณ์บังดาที่อารมณ์มหัตาอารมณ์นั้นเด็ดในขณะนั้นไม่มาเสื่มเป็นวิจิโตนอีกไม่มาเลย เพราะอะไรเพราะว่านี่ลที่เป็นลาภโพนมีแล้วไม่มีแล้วกล้อย่างนี้เราเรียนจบม ah หาวิทยาลัยแล้วได้ปริญญาแล้วเราจาเป็นหรือไม่ก็ต้องเียนเืคตาแบบปริญญาบัตรเราพิจารดให้เข้ว่าเราเป็นคนได้ปริญญาจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยการรราชาปริญญาในหลวงาก็ีเจ็ดพันจ็ไม่จเป็นเราว่าการเป็นครมหาวิทยาลัยเนจะต้องเรียนเสืขขอคุยแบบว่าขาึนขกกาน้นมัมนดิ์ยนตลดที่สีขข่ชั่วมแล้วก็จะต้องแบกปริญญาตัว ยังเป็นิตไ้ม่เป็นเาจะใส่กเกขาตหรือว่าแต่งชุดไหนก็ตามเรายังเป็นริาเป็นบฑิตอยู่ดีะเพราะว่าไอการสเ็ป็นบิตตั้งแ่ช่วงขณะเดียวเองมันจะเท่าอย่างยิ่ังหที่รับกพะหัดในหลวงนี่แหละตรงที่รับกันกากในหลวงตันเป็นปัจิพยานให้แล้วว่าคุณคนนี้เป็นบัณฑิตต่อหน้าครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขณะเดียวก็เดียวปั่ยเองเรหมือนตักมัดอิปอาหารกิเลสน่จ้ะไม่จะเป็นตองเติมอิปอาารจำเจอยู่หรือว่าถ้า ถ้าข้าจับไม่ทานอารมณ์แล้วก็จะตายดีผู้ชมไม่ตึ้มเพราะฉะนั้นไม่ทานไม่เข็กจิตในตาติสของบาหรีหลายต่เป็นอารมณ์ของจุดให้ท้าม้าที่ประหารกิเลสนะแล้วก็ข้าม้าที่ตัวไอศุคือเป็นเส้กิในขณะที่ตัวจับมรรคจิตอิดอแ่นั้นเองทาจับเหมือนีแต่ละอริยคคจะอาตามาอารมณ์กระดับเอามาขัดตาอารมณ์ก็ดัอาบัญญติอารมณ์กระดับอารมณ์เหล่านี้ไม่ฟามาจะเป็นลายท่านิตจะแล้วเปรียบเหมือนกับตนที่ดับ ตั้งเด็กเป็นังดิตอมาถึงแม้จะไปเม่มเรียนในช่องผสมเรีนต่ออขอตาเขาความเป็นบังดิเขาก็ไม่ทลายหายไปด้ในขณะที่เรียนขอขอตาบางคนอาจจะนึกสนุกว่าเราเราเขเป็นเด็กสักทีหรือหนาเราเรียนหนังสือขอขายขอขายเขาคล่องขล่อกัเด็กในขณะนั้นก็ม่ไทำให้ทาว่าตามเป็นบังดิตเ้าเสียหายความูอันัหนที่เรียนเร่มาแล้วควารู้นี้นจะอยู่ในหนานั้นแหละมันจะหายไปไหนหรือหรอเราที่อ่านื้อออกไอ้อนที่อ่านไม่ซื้อออกเนี่ย ขณะที่เราอ่านมันเพื่อขณะที่อ่านเราแค่ปัญญาอ่านแต่เมื่ออ่านเรแล้วเร้อาคามที่ควอ่านเราไปทเรือดเองไอ้คามวิริยอก็เดือดายไปไหนอยู่ในตัวเรานี่แหละดัอาเมื่อาจะอาอกื่อนะขณะนั้นไม่จำเป็นอ่าออทีนึงว้เอแล้วไปด้งเดงนจะอ่านอไม่ออกอทไมตังตรียนตัวใมาอีกแล้วไม่จาเป็นเลยฉันได้แต่ฉันมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนิพพานที่เป็นพียิญญาณทำมาริมของมรรคติผลรรคิตเท่งนั้นเองฮะ เ, เป็รรคจิตริกิเท่านั้นเองเป็นอารมณ์ของมรรคจิตภรรกิจเทนี้ถาถึงอนุตาติเตสกนิพนธ์แถ้าละหันดัจิตลงเมื่อระดับจิตแล้วก็จะเอาไปสิ้นเชื่อแล้วเชื่อไม่มีแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปจึงถือว่านิพนธ์น่ะเป็นอนุปาติเตสกนิพนานไม่มีเชื่อสําหรับให้รับบุญรับบาปเป็นมีบากติดต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่เป็นมติในพุทธศาสนาฝ่ายบาลีของเราอย่างนี้ จะเห็นปดว่ามัตติสายบาลีเราเป็นมันชมิมัชมิชมาตมาติคามเดกเอียงไปในส่วนที่ว่ามรสมรสมดจดอย่างอาจารย์ดำนะและะว้วก็เมรไดถือว่ามิพานนดเป็นจิตอย่างอาจารย์ปามีกายเ็นอย่างนี้เราถือเป็นทางสายกลางถือว่าจิตนี้มีเป็นของภาวะกลางกลางไอส่วนดีโขั้ะเป็นอารม ณ, ณ, ณ์ที่เก็บผนึกสวายและอาจจะปรับปรุงจิตให้ดีขึ้นจิตที่ขั้วมากอาจจะปรับปรุงรูปายธรรมชาติให้ดีขึ้นจิตที่ดีอยู่แล้วจะเรียกว่ามรรมชาตาิมีดขึ้นก็ได้เป็นอย่างนี้แล้วจบธรรม า, าวันนี้เพียงเท่านี้ครั ธรรมกะถาของคุณเุศียานี่หนึ่งพัฒนคติของจิตติดลงมาตั้งแต่เริ่มติดงแต่เริ่มมานั่นคุณตุศิลานี่ก็เลยอธิบายมาโดยลาดับต่อลำดับความจริงในทัฒนาติของจิตนี่เรายังถกเถียงกันอยู่มากว่าตําราก็มีมากตาราแล้วก็ทัศนะของแต่ละอาจารย์ก็แตกต่างกันตามและอาจารย์ไม่รังควาเห็นกันได้แล้วก็มีบางอัน ที่เายังสงสัยกันอยู่ก็มีผู้นักศึกษาเคยได้มาถามบ่อยๆท้ว่าเป็นอย่งนี้การเซนอกเห็นจากไม่จำเป็นในตองถามคุณจะเขียนอีกแล้วนะคุณว่าเพว่าถ้าสงสัยว่าไปอ่านหนังสือในมือือนี่การเซนถือไว้หล่ะว่าถ้าว่าเขาจิเดินแท้น่ะคืออะไรที่เริ่มอเท่าไหร่หาที่จิตเดินแท้เพราะนั้นเลยฟังคุณจะเขียนได้อธิบายมานี้ก็ ไอ้ทุกข์กิจขาความสงสัยเหล่านั้นก็เป็นอันว่าละลายไปแล้วเพราะว่าเขาถือว่าจิตเป็นกานทางคืจิตต่างกับในส่วนเถรเลววาะห์ของเราซึ่เราถือเอา่วนหนนี้กิพานนั่นเป็นอารมณ์ของจิตเทนัท้นเล่นเล่นภาภาทัศน์ของจิตแต่ละท่านแต่ละท่านที่ทัศนะต่างกันเนี่ยวันนี้เราได้ฟังทรรสิ่ง ท, ที่ยังไม่เคยฟังบางอันก็ลึกซึ้งซึ่งคุณเถรเลาะห์ได้นำมาแจกแจงให้เราฟัางเนี้ยนับว่าได้เป็นประโยชน์มาก ถ้าก่อนคุณจะเทียนได้มาพูดถึงพัะคณะขันติเหมือกันแต่มาพูดถึงในแง่ของสิที่บริสุทกระพ atri ดังมาวันก็มาต่อามจิตที่เป็นกระพ atri ดังอิพลวางกิจบ้างแล้วก็อรหันตกิจบ้างหรือโสดาบ้างประกาศคาาบ้างแบบนี้เป็นต้นจุดอันใดที่เคยคล้องอยู่ก็เป็นอันว่าละลายไปแม่ตระมาเองก็ศึกษาในลัทธิของที่ได้เรียนมาก็ทำความสข้าใอยู่เหมืกัน เมื่อสงสัยทำไมสงสัยแล่ะครับหมายความหมายทั้งหลายหมายถึงว่าจิต ก, ก็คือนิพพานนิพพานก็คืิตเมื่อมาเชื่อกับของเราขเขาแล้วตึ้นต่างกันเมื่อเรามาศึกษาอย่างนี้เอาของเรามาเอาทางมาติสายบาลีมาเป็นเครื่องเป็นหลักจับแล้วตื้นต่างกันความนิพพานนั้นกับสุนิพพานจิตนีกนน้ก็ดนิงดึงไปว่าการที่จะดำเนินถึ ง, งนิพพานได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติ วันนั้นถามวก็ได้กิเปฏิบัติไปตามขั้นของมรรคกิจตามลำดับคือโสโดาปฏิมาคกกดีสกทาค า, ท า, ทามิกากคดีอนาค า, ท า, ทามิน ก, ก็ดีหรือว่าอรหกกนันตมรรค็ดีติก็ย่อนสำลักกิเลสต่างๆที่อีูในขันโสนดานั้นโดยลาดับโดยลำดับเศียโสดาที่ละไดเป็นส่ียตัว น, นั้นกิเลสที่ยังเหลือก็ยังเหลือดีอันไรอันได้ได้ลบได้ขาดแล้วก็ได้ละได้ขาดไปเมื่อท่านจะเจริญ ภาวนาไปใหม่หรือทำอาชีพที่ดก็หลักผู้ศสน า, า, น า, า, นาในส่วนเทโรอาเราพระหนึ่งท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมปัาทึ่คุณเจียนเลยนํามาแจกจ่กายให้เราฟังในวันนี้แล้นะว่าเป็นประโยชน์อันมหาศาลและก็สิ่งใดที่มันเป็นข้อวิจิตริษาสงสัยอยู่ก็่อขอเชวนท่านผู้ที่ยังสงสัยนะถามท่านตองค์บาศกที่ยังอยู่ที่นี่ว่า อันใดที่ยังสงสัยเชื่อแฝงหยู่ก็ชิญได้หากว่าเราทําความเห็นให้ตรุงจะแล้วสมคารปฏิบัติแล้วนั้นก็จะดําเนินไปตามปฏิปทาที่พัฒมาปฏิปทาไม่เป็นการเล่นช้ า, า, าไม่ต้องโกงทางโน้นบ้างไม่ต้องโกงทางนี้บ้างเพราะว่าเราื่องของจิตนี้นถ้าหากว่าเราได้ศึกษาให้ดีแล้วได้ปฏิบัติไปตามปฏิปทาของพพระศาสนาหรือของพรุทธเจ้าโดยเฉพาะก็คือได้ดํานเนินไปตามหลักของปฏิปทาน ทั้งีประการและจก็จะถึงที่สุดในความเป็นผู้มีมุตในส่วนใดเสนอคืในส่วนกายก็ดีในส่วนเลืกดราตัดีในส่วนจิตก็ดีหรือว่าในส่วนคํามก็ดีดังนั้นผู้ปฏิบัติจริงจะเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติแตแล้วจุดต่างๆมีราคะบ้างโทสะบ้างโมหาบ้างซึ่งเป็นส่วนปริพาบ้างหรือเป็นส่วนดีจิตมะบ้างมีอยู่แต่ว่าอาศัยมรรคภปฏิปทาเหล่านั้น เป็นเครื่องข่มเหเป็นเครื่องรู้รานั้นจิตใดที่มีราคะท่านก็จริงว่าให้กำหนดรู้ว่าจิตนั้นมีราคาะประกอบด้วยราคะจิตีโทต ะ, ะป ร, ร ะ, ะกอบด้วยโทตะจิตีโมหะประกอบด้วยโหะหรือว่าจิตทีปัสการราคะโทตะจิตสมาธิจิสมาธิจิตทเป็นรูปอะไรล่ะเพื่อนนมีอตกอู่ในหลัลกของสติปัฐานท่านี่เ น, นั้นนั้นทางที่จะดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทาคือวิา น, นั้น มีทางสติปัฏฐานเดียวเป็นทางเดียวซึ่งพรองค์ตาัว่าเป็นเอกายนามัตย์หรือเป็นเอกายโนทางสายเดียวเท่านี้จะนั่งจัดทั้งหลายให้บริุทให้หมดจากอิเลสการหลวงเสียซึ่งโลกะปเทวะทุกขโทมานะสมิได้ฉันั้นท่านเรียศึกษาแล้วก็นําไปฝึกตรองหามีโอกาสเขาได้ปฏิบัติครั้งในส่วนสติปัฏฐานทั้ง4ี่จะเป็นส่วนกายก็ดีจะเป็นส่วนเวทนาพ็ดีจะเป็นส่วนจิตก็ดีหรจะเป็นส่วนทางก็ดี เพราะว่าทางเหล่านี้เป็นสุขุมเป็นคำสุขุมครทีสภาพยาทิี่พี่ชายจะรู้ได้ไหเจริงสุขท่ทนานสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็พบกันอีกในรายการธรรมะก่อนนอนเมื่อคืนก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตนี้ไม่ตกไปเป็นธาตุของความรักและความชังตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเราจะต้องมีสติสัง<ม>วร คำว่าสติสังวร น, นี้หมายถึงความเป็นผู้มีสติสำมรวมในอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าอินทรีย์เพราะว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในการที่จะรับเอาอารมณ์ต่างๆซึ่งจอรมากระทบอยู่เสมอทุกๆวัน ตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งใจก็เป็นใหญ่ในการนึกคิดอารมณ์ต่างๆท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในตัวเราที่ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ต้องรับอารมณ์อยู่ตลอดวัน เดี๋ยวเราต้องดูรูปเห็นรูปต่างๆทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเดี๋ยวเราก็ได้ยินเสียงทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเดี๋ยวเราก็ได้ทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นได้ลิ้มรสอาหารทั้งที่อร่อยและไม่อร่อยได้สัมผัสเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวก็แข็งยิ่งปัจจุบันนี้อากาศอบอ้าวขึ้นเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นบางวันฝนไม่ตกก็ร้อนเหลือเกินบางวันฝนตกมากก็รู้สึกว่าหนาว เนี่ยเราต้องกระทบกับอากาศชี่นนี้ยอยู่ตลอดเวลาบางครั้งต้องสัมผัสกับสิ่งที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างบางครั้งก็ต้องกระทบกับสิ่งที่อ่อนนุ่มหรือบางครั้งก็ต้องคิดในเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตคิดถึงเรื่องในอดีตบ้างคิดถึงเรื่องในอนาคตบ้างคิดถึงเรื่องในปัจจุบันบ้างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งสิน้น สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่สนใจศึกษาเราก็ไม่เห็นว่าได้ก่อให้เกิดความทุกข์ความสุขให้เกิดความรักความชางังแก่ชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรบ้างความรักก็ดีความชังก็ดีก็เกิดขึ้นจากอายตนะเหล่านี้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้อ า, ายตนะเหล่านี้ทําหน้าที่ไปโดยขาดความกํากับหรือมีสติสัมปชัญญะในการรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้ว เราก็คงจะต้องเป็นทุกข์อยู่ร่งไปและก็จะต้องตกไปเป็นธาตุของความชางบ้างเป็นธาตุของความรักบ้างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์มากในเรื่องนี้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องมีสติคาว่าสตินั้นท่านอุปมาเหมือนกับเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสของอภิชาและโทมนั คือกระแสของความรักความชังเราจะกั้นกระแสเช่นนี้ได้เราจะต้องอาศัยความเป็นผู้มีสติคืคอขณะที่เราเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเราจะต้องกาหนดในใจคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นนี่ก็สัตว์ต่ว่าเห็นเท่านั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยก็สัตวต่ว่าเป็นเสียงเท่านั้นจนกลิ่นที่เราสัมผัสเนี่ยทางจมูกไม่ว่าจะหอมหรือจะไม่หอม ก็ต้องกําหนดว่าเนี่ยสักแต่ว่าเป็นกลิ่นเท่านั้นเองความเย็นความร้อนที่เราต้องสัมผัสอเราก็ต้องมีความรู้สึก ว, าว่าเนี่ยสักแต่ว่าเย็นสักแต่ว่าร้อนเท่านั้นอาหารที่เราลิ้มรสแม้ว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกําหนดให้รู้ว่าเนี่ยสักแต่ว่าเป็นรสเท่านั้นเองความอร่อยหรือความไม่อร่อยมันก็อยู่ที่ปลายลิ้นเท่านั้นเมื่อล่วงล้ําลําคอลงไปแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยก็มีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขมากแม้แต่เรื่องจิตที่นึกคิดอารมณ์ก็เช่นกันจะต้องมีสติกำหนดรู้ว่านี่สัจเตว่าจิตสักแตว่าอารมณ์ที่คิดเท่านั้นที่ให้คิดอย่างนี้ให้ทำความรู้สึกอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันความยึดถือเพราะโดยปกติแล้วเรามักจะยึดถือสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิน่นได้รู้รสสัมผัสถูกต้องได้นึกคิด ในใจต่างๆว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนซึ่งความรู้สึกยึดถือในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาชิ้นนี้มันทําให้เราเกิดความทุกข์และจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตาตัวตัวนี้มีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นผู้ที่มีสตินั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่สามารถป้องกันเมื่อความรู้สึกยึดถืออันนี้เกิดขึ้นได้ ท่างทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าความทุกข์ต่างๆที่เราได้รับกันในปัจจุบันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความยึดถือทั้งสิ้นบางคนยึดถือเอามากๆคือทั้งยึดทั้งถือแล้วก็เก็บเอามาเป็นทุกข์ในใจเกิดความทุกข์ในใจตลอดเวลาเราจะสังเกตได้จากในชีวิตของเราประจำวันบางท่านอาจจะต้องมีภารกิจออกนอกบ้านการออกนอกบ้านของคนนี้ บางทีเราก็าออกไปเพื่อทำงานไปทำมาหากินตามหน้าที่ที่เรามีอยู่หรือบางทีไม่ได้ออกไปทำมาหากินไม่ได้ออกไปทำงานทาการอะไรแต่เราออกไปเพื่อเข้าสังคมไปพบคนโน้นไปพบคนนี้การไปทำงานก็ดีการไปเข้าสู่สังคมก็ดีเราจะต้องรับอารมณ์ทั้งสิ้นแม้อยู่ในบ้านเราก็าต้องรับอารมณ์ต่างๆที่อยู่แวดล้อมกายเรา ในขณะที่เราไปที่ทำงานหรือจะไปเข้าสู่สังคมเราจะต้องรับอารมณ์ถึงหกทางคือทางตาต้องรับทราบทางตารับทราบทางหูรับทราบทางจมูทางลิ้นทางกายทางใจอายตนะทั้งหกนี้ทำหน้าที่รับอารมณ์ตลอดเวลาและอารมณ์ที่รับนั้นถ้าไม่ดีก็ต้องดีสองอย่างธรรมชาติของผุุ้ชนนั้น ไม่ว่าจะกระทบกับของดีหรือไม่ดีก็จะเกิดความรู้สึกยึดถือเก็บเอามาบางทีก็เก็บเอามาเป็นทุกข์เช่บางทีไปทํางานไปกระทบกับอารมณ์ที่บม่ดีในที่ทํางานก็เก็บเอาอารมณ์ที่บม่ดีที่เราไปกระทบมานั้นะมาไว้ในใจจนทั่งเกิดความทุกข์ขึ้นบางทีไปได้ยินเสียงจะเป็นเสียงด่าเสียงนินทาว่าร้ายหรือเสียงอะไรก็ตามก็เก็บเอาเสียงด่าเสียงนินทาว่าร้ายนั้น มาเป็นทุกข์แล้วก็สิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยบางทีเก็บเป็นทุกข์ที่สํานักงานไม่พอยังบรรทุกใส่รถมาเข้าบ้านยังบรรทุกขเข้าไปถึงที่นอนนอนคิดเป็นทุกข์อย่างโน้นเป็นทุกข์อย่างนี้ความทุกข์เหล่านี้นะ่ะเกิดขึ้นจากการที่เราไปเก็บออกมาทั้งสิ้นถ้าเราลองคิดดูว่าที่เราต้องเป็นทุกข์อย่างเนี่ยมันเข้ามาได้อย่างไรเราไม่ใช่เป็นทุกข์แต่เฉพาะในสังคมในที่ทํางาน ที่เราไปพบเท่านั้นเรายังหอบเอาทุกเนี่ยมาไว้ในบ้านมาไว้ในที่นอนมาไว้ในใจและมันก็ทรมานให้เราเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไปเก็บเอามาเพราะฉะนั้นเมื่อเก็บเอามามากก็ต้องเป็นทุกข์มากอย่างนี้วิธีที่เราจะไม่ต้องเป็นทุกข์ก็คืออย่าไปเก็บการไม่เก็บนั้นก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันว่ารูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสัมผัสทางจมูก รถที่เราสัมผัสทางลิ้นหรือความร้อนความเย็นความอ่อนความแข็งที่เรากระทบเด็กกายหรือว่าความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเลยแต่ว่าเราไปสร้างเราไปก่อให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเราสร้างเราก่อให้เกิดขึ้นในใจเช่นนี้เราก็ต้องเป็นทุกข์ ในสิ่งที่เราสร้างเราก็ต้องเป็นทุกข์ในสิ่งที่เราเก็บออกมาเพราะฉะนั้นการที่เรารู้การที่เราเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้และไม่ยึดถือก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสให้เรามีสติทุกเมื่อนั้นก็คือป้องกันว่าไม่ให้เราไปเก็บป้องกันไม่ให้เก็บอารมณ์เหล่านี้มาเป็นทุกข์ในใจถ้าเรารู้จักวางใจได้อย่างนี้จิตไม่เกิดความรักความชัง เมื่อไม่มีความรักความชังและจิตนี่มีอะไรจิตนี่มีสติมีความรู้สึกตัวเราวางเฉยในสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรทั้งหมดเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเลยเราทําใจของเราให้เฉยเสียปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะทําให้เราเป็นทุกข์เสียได้ด้วยความเป็นผู้มีสติกําหนดรู้อย่างนี้ใจเราก็ไม่ตกไปเป็นท่าของความรักความชางังฉะนั้นในบางแห่ง พระพุทธองค์จึงตรัสเปรียบเทียบสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับทำนบคอยกัน้นมิให้กระแสของกิเลสเข้ารอบงามจิตใจถ้าเราเปิดจิตรับอารมณ์ทั้งหมดแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนหนักมากจะเป็นทุกข์มากท่านทั้งหลายก็คงจะทราบได้ในเรื่องนี้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไปยึดถือเราเก็บออกมามันก่อให้เราเนียเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างดีก็เป็นทุก ไม่ดีก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราควรแก้ไขด้วยความเป็นผู้มีสติอย่าไปยึดถือเอามาคือสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนมันดับไปเองจะเป็นอะไรก็ตามเถอะมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่จะเป็นความดีความชั่วมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นและก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์ ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเราเข้าใจเห็นอย่างนี้โดยถูกต้องเราก็าไม่เกิดความทุกข์มากพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เราเป็นผู้มีสตินั้นก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะฉะนั้นบุคคลที่เป็นผู้มีสติควบคุมอายตนะเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีสติสังวรข้อนี้คิดว่าคงจะไม่เป็น เรื่องที่หนักเกินไปที่เราจะปฏิบัติกันได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับสติตัวเดียวเท่านั้นอันในด้านการปฏิบัตินี้ท่านทั้งหลายจะต้องสร้างความรู้สึกอันเนี้ยให้เคยชินคือจะต้องรู้จักพยายามกำหนดให้เท่าทันต่ออารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะสตินี่แปลว่าความระลึกได้เช่นตาเราเห็นรูปเนี้ยเราจะต้องสร้างความระลึกในใจว่าเนียสักแต่ว่ารูปเท่านั้นรูปเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงด้วยมันมีความแปรปรวนได้ แ ม, ม้ว่าเราจะเห็นสิ่งที่สวยสิ่งที่ไม่สวยความสวยความไม่สวยมีค่าเท่ากันค่าของความสวยและความไม่สวยที่ว่าเท่ากันนั้นก็ตรงที่มีความเปลี่ยนแปลงแม้เราจะกระทบกับสิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามเหลือเกินทำให้เราเกิดความติดอกติดใจมากความสวยที่เราเห็นนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่สวยได้ความไม่สวยที่เราเห็นก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงแม้เสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงที่ภัยราะจะเป็นเสียงที่สรรเสริญเยินยอจะเป็น เ, เสียงนินทาว่าร้ายเราจะต้องนึกว่าเสียงเหล่านี้ไม่เที่ยงใครเขาจะนินทาว่าร้ายจะด่าทอใครเขาจะสรรเสริญเยินยอสักเพียงใดก็ตามเสียงอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับ